ถามตอบปัญหาคุณหมอมีอะไรข้องใจที่จะถามแลกเปลี่ยนกันบ้างไหมครับขัดแย้งได้นะครับขัดแย้งได้ เพราะการพูดท ร, รมาสงสัยได้ไม่สอบไม่ถามก็ไม่รู้คุณลุงก็พูดในสิ่งที่มันเป็นธรรมน่าฟังอยู่แล้วฟังแล้วก็รู้สึกดีนะครับบางครั้งผมก็ไม่ต้องการที่จะพูดตรงนี้มากนักเพราะว่าบางทีคนก็หลากหลายบางคนก็อาจจะหาว่าอวดรู้อวดเห็นพูดเกินตัวแต่บางคนถ้าฟังด้วยใจที่เป็นกลางกลางแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยคือธรรมะไม่มีของใครธรรมะที่เป็นธรรมชาติเปิดเผยอยู่กลางแจ้งโดยที่ไม่มีสิ่งใดปกปิดไว้ขออนุญาตนะครับคือตรงที่คุณลุงพูดว่าแม้กระทั่งธรรมชาตินี้คือดินน้ำลมไฟมันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรา ืใช่มันไม่มีเจ้าของแล้วคุณลุงก็พูดต่ออีกคำหนึ่งว่าแม้กระทั่งธรรมธาตุนี้มันก็น่าแปลกนะมันมาเป็นมันเป็นเราตั้งแต่เมื่อไหร่พอพูดปุ๊บในใจผมหลุดไปเลยนะครับแล้วคุณลุงก็พูดต่อว่ามันหลุดจากความเป็นเราไปแล้วมันสบายคือคุณลุงพูดเรื่องของผมในขณะนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วก็รู้สึกว่าที่คุณลุงพูดมันถูกต้องหาฟังได้ยากถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแท้ๆแล้วพูดไม่ได้หรอครับแล้วก็ผมมาครั้งที่แล้วพอกลับจากคุณลุงไปใจของผมมันสบายไปตลอดนานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเสร็จแล้วเนี่ยพอผมมานั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบประกอบกับช่วงนี้เลี้ยงลูกและมีภาระเยอะผมก็รู้สึกหงุดหงิดลาบากใจ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามภาวนาอยู่แต่มันภาวนาไม่ก้าวหนะ้าแต่อันหนึ่งที่มันเด่นก็คือจิตนะครับมันสงบเวลาผมนอนลงไปนี่พอหลับตาปุ๊บมันเหมือนกับกายหายไปเลยจิตเด่นจริงๆสงบจริงๆแต่ว่ามันเหมือนหัวต่อช่วงที่ผ่านมานี่เป็นอย่างนี้เลยผมคิดอยากจะมาภาวนาที่คุณลุง ก็รอวันนี้ล่ละครับและก็ไม่ผิดหวังพอนั่งแปะลงไปปุ๊บอาการที่เห็นมันก็ค่อยๆหายไปเลยคือพอมานั่งตรงนี้นะครับนั่งกับคุณลุงมันก็ค่อยๆเบาไปเรื่อยๆโล่งไปเลยนะครับคืออย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดการเวลาบุคคลสถานที่สาคัญจริงๆคือตอนมาหาคุณลุงเมื่อไรได้ผลทุกครั้งเลย อย่างที่คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ใช่เลยคือจิตใจของเรานี่ยิ่งฟังยิ่งสงบเหมือนกับฟังหลวงพ่อเหมือนกันฟังแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยคือจิตที่หมดภาระจิตที่แม้ยังไม่หมดภาระถ้ารวมตัวเป็นหนึ่งแล้วนี้จะมีความรู้สึกอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเหมือนไม่มีกายเลยนะ พอนอนหลับตาปุ๊บกำหนดนิดเดียวปึกเลยแน่นเปียเลยหลับไปเลยครับดีมากเลยดีมากเลยแต่ว่ามันได้แค่นั้นไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าเป็นประโยชน์เลยครับคืออย่างนี้นะคุณหมอคำว่าก้าวหน้านี้เป็นการส่งจิตออกข้าง น, นอกไปคือเราไปคาดหมายว่า ข้างหน้าคงดีกว่านี้แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แล้วว่าปัจจุบันธรรมมันก็คือที่คุณหมอเห็นจิตในขณะที่เรากำลังสงบนี้แต่แล้วเราก็ไม่พอใจในสิ่งที่เราเห็นณนะปัจจุบันนั้นกลับไปคว้าสัญญาเก่าๆมาคิดมานึกว่าเออทำอย่างนี้มันเป็นหัวต่อแต่จริงๆแล้วตรงนี้เลิศประเสริฐที่สุดเลยเลิศตรงไหน เลือที่จิตมันรู้อยู่นี่แหละเราทําทุกอย่างไม่ว่าจะทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาความดีทั้งหลายทั้งปวงการฟังธรรมก็เพื่อรู้ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเผื่อคุณหมอเข้าถึงรู้ตัวนี้แล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่ไปไหนก็แสดงว่ามันลงตัวมันไม่มีปัญหาเมื่อจิตไม่มีปัญหามันก็สงบ ถ้าจิตมีปัญหามันก็แกว่งออกไปกระจายออกไปพอหมดปัญหาปุ๊บจิตก็มารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าจิตสงบและตรงนี้ก็คือยอดแห่งบุญยอดแห่งาศาสนาก็อยู่ตรงนี้ถึงแม้มันจะยังไม่จบสิน้นอันนี้แหละถือว่าเป็นแก่นของาศาสนาที่แท้จริงเลย พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ตรงนี้เท่านั้นถ้าเผื่อว่าจิตนี้มันไม่มีเราเป็นเจ้าของอย่างที่คุณหมอเข้าใจจิตมันจะเป็นอิสระจากขันทุกขันอย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นปัญหาที่มีนั้นก็มีแต่เราเข้าไปเป็นเจ้าของจิตพอมีเราเข้าไปเป็นเจ้าของจิตปุ๊บทุกอย่างมันเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นรูป เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆโลกทั้งโลกมันเป็นของเราไปหมดเพราะอะไรก็เพราะมันมีเราตัวเดียวเท่านั้นคำว่าเรานี่แหละก็คืออวิชาตัวใหญ่แต่หากว่าเราสามารถปฏิบัติเข้าถึงหลักตัวนี้ที่แท้จริงแล้ว ซึ่งเป็นหลักละเอียดที่สุดเท่าที่เราปฏิบัติมาและที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนละเอียดที่สุดก็คืออวิชชาเท่านั้นล่ละเราจะรู้ตรงนี้ได้อย่างไรครูบาอาจารย์ท่านพูดมันก็เป็นแบบแปลนมันเป็นเหมือนท่านทำกับข้าวไว้ให้เราทานจานใหญ่เลยแต่เมื่อเราไม่ได้ทานเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอิ่มแค่ไหนเมื่อเราได้รับประทานเข้าไป เราจะรู้เลยว่าความอิ่มมันเป็นอย่างไรเราไม่สามารถกินแทนได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถมาทานข้าวแทนเราได้เพราะฉะนั้นความอิ่มหรือการที่ไม่มีเราเราก็ต้องเห็นได้ด้วยตนเองว่ามันไม่มีเราจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันไม่มีเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถพิจารณาให้ขาด ให้จิตยอมรับว่ามันไม่มีเราเป็นเจ้าของเราจริงๆไม่ว่าสิ่งใดสิ่งนั้นโดยเฉพาะจิตนี้เอาเฉพาะขันห้าก่อนแล้วกันไล่ไปตั้งแต่รูปที่มันเป็นเราเช่นผมขนเล็บฟันหนังสิ่งเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วไม่มีผู้รู้แล้วเอาไปเผาไฟมันไม่เห็นเป็นเราเลยนะ ถ้าหากว่าเราพิจารณายาวต่อไปทวนแล้วทวนอีกซ้าแล้วซ้าอีกจิตจะยอมรับว่ากายมันไม่ใช่เราจริงๆเราคือความรู้สึกนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าเวลานอนนี้มันเหมือนไม่มีกายก็เพราะจิตมันไม่ไปสนใจกับกายจิตสนใจแต่จิตเหลือแต่จิตล้วนๆมันเป็นเรื่องที่บอกให้เราเห็นชัดๆ ว่าจิตกับกายเป็นเพียงอาศัยอยู่กันเพียงชั่วคราวเท่านั้นกายนี้เหมือนบ้านที่เราเดินมาพักถึงเวลาแล้วเราก็ต้องจากกายนี้ไปจากบ้านนี้ไปอย่างแน่นอนถึงเราไม่จากมันมันก็จากเราแน่ๆกายนี้ไม่อยู่ให้เราเชยชมอยู่อย่างนี้ตลอดไปเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกิน80ปีอย่างที่คุณหมอว่านั่นแหละ ก็ต้องไปด้วยกันทั้งนั้นพังวิบัตนะกายนี้มันต้องวิบัติแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมาว่าสิ่งที่มันวิบัตินั้นเป็นเราได้อย่างไรกันจิตไม่เคยตายเกิดมาไม่รู้ประมาณแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมดเป็นปลวก เป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูแม้แต่เทพเทวาพระเจ้าแผ่นดินเราก็เป็นมาแล้วไม่น้อยเลยทุกภพทุกชาตินรกก็ไปเยี่ยมเยียนมาจนเคยชินปัญหามันอยู่ที่เราตัวเดียวถ้าเผื่อไม่มีเราแล้วสิ่งเหล่านั้นจบเลยเมื่อขันห้าหลุดไป ยังน้อยก็พระอนาคามีผลแล้วนะเพราะพระอนาคามีละขันห้าได้แล้วยังเหลือเรากับจิตเรียกว่าเหลือภพเดียวคือภพของเราหรือภพของจิตที่ยังคงเป็นอวิชชาอยู่จิตที่โดนอวิชามันขี่หัวอยู่ขี่คออยู่บังคับให้คิดนูน่นคิดนี่บังคับให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไอตัวที่มันขี่คอนี่แหละที่เรียกว่าเราส่วนจิตเองมันก็เป็นธรรมธาตุที่รู้อยู่มีอยู่ทั่วไปและก็มีอันเดียวเท่านั้นจิตเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นจิตคือพุท ธ, ธะท่านว่าจิตพุทธะกับจิตมดแดงนี่เป็นจิตเดียวกันคือพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าอย่าสบประมาซึ่งกันและกัน มันเป็นจิตหนึ่งเดียวเหมือนกันสกวรนหนึ่งมดแดงมันก็อาจจะหลุดพ้นจากวิบากเหล่านั้นขึ้นมาเป็นมนุษย์เข้ามาถึงนิพพานได้คือเข้ามาถึงจิตที่บริสุทธิ์ได้เพราะมีพุทธะด้วยกันสัตว์โลกทุกตัวต้องมาใช้รู้อันนี้แหละใช้อันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าไม่มีหญิงไม่มีชายอันนี้สมมติทั้งนั้น เป็นสมมุติทั้งปวงเลยแต่ผมรู้ตัวนะครับคุณลุงว่ามันยังไม่ใช่เพราะว่าเวลาผมเอาจิตออกมาทำงานเนื่องจากผมยังต้องทำงานอยู่แล้วก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ผมยังอยากจะทำเวลาผมเอาจิตมาทำงานผมรู้ว่าศักยภาพข้างในจิตของผมมันมีมากกว่านี้แล้วก็ผมรู้ว่าการภาวนานี่มันมีอีกต่อไป คือผมรู้อย่างนั้นนะครับในใจของผมเองนี่แล้วมันก็ยังมาภาวนาที่คุณลุงวันนี้ผมก็รู้ได้ว่าจิตของผมมันดีขึ้นเยอะเลยหลักฐานยืนยันก็คือเวลาผมมีปัญหานี่คุณลุงเปิดเทปหลวงพ่อให้ฟังผมพิจารณาของผมอย่างที่คุณลุงบอกอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนพิจารณาไปมันมีหลายตอนที่มาสัมผัส หรือแม้กระทั่งที่คุณลุงแนะนำมานี้ก็มีหลายตอนที่มาสัมผัสพอปิ้งเดียวนะครับคุณลุงโอ้โหผมไม่อยากจะพูดมันตื้นตันใจอย่างเช่นว่าเมื่อกี้คุณลุงบอกผมว่าเออมันเหมือนเงานะมันใช่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมพิจารณาเรื่องสัญญาสังขารอยู่เพราะว่าอันหนึ่งที่กวนใจผมนะครับคือเวลาที่ผมคิดอะไรออกไปแล้วนี่ คือบางทีผมจะ ก, กําหนดพิจารณาให้เห็นว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรามันไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเราอยู่แต่ว่าตอนที่ผมนั่งรถมานี่หลวงพ่อท่านบอกว่าไอ้นี่มันเป็นเงาเรืเมื่อกี้คุณลุงบอกว่ามันเหมือนกระจกสองอันนี่มันเข้ามาอยู่ด้วยกันมันใช่เลยพอจิตมันกําหนดว่าไอ้ความคิดความจํา มันเหมือนกับเงาในกระจกแล้วมันจบเลยนะครับคือไอ้นั่นนะ่ะมันเป็นเงาจิตนะ่ะมันเป็นจิตมันแยกกันเลยนะครับพอฟังอย่างนี้แล้วก็ปิงเลยนะครับถูกแล้วแต่ทีนี้ว่าอย่างที่คุณหมอบอกก็ถูกว่าผมยังมีอยู่อันนี้มันแน่ละ่ะ สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาให้ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่ว่าถ้าหากว่าจิตไม่ยอมรับแม้ใครจะพูดอย่างไรหรือคุณหมอจะพิจารณาอย่างไรถ้าจิตไม่ยอมรับเสยอย่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นธรรมหรือแม้กระทั่งว่าขออนุญาตนะครับคุณลุงหรือแม้กระทั่งว่า เมื่อกี้ผมพิจารณาตอนที่คุณลุงเปิดเทพหลวงพ่อผมกำหนดไปที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกให้พิจารณากายเยอะๆท่านถามผมมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าเห็นกายตัวเองเป็นอสุภะแล้วหรือเห็นแล้วหรือผมก็เงียบเลยจอยเลยตอนนั้นนี่คือช่วงที่ผ่านมาผมก็พยายามพิจารณาอย่างนั้นเมื่อกี้นี้นะครับ ผมมานั่งตรงนี้ผมก็พิจารณาออกไปว่าตอนนี้จริงๆแล้วขนมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอจับขนตรงนี้นะครับเราก็รู้เลยว่าขนมันเป็นแท่งตันๆมันไปทั้งตัวพอมันไปทั้งตัวนี่มันแยกออกมาจากใจเลยคือแยกเลยนะครับเมื่อกี้นี้พอมันแยกออกมาอย่างนี้ปุ๊บ พอดีหลวงพ่อท่านพูดมาคำหนึ่งว่าในที่มืดมันจะมืดมากี่กับกี่กันก็ช่างแต่พอแสงสว่างมาความมืดมันก็หายไปมันก็สว่างพรงขึ้นมาทันทีแล้วมันก็ไม่ได้มานับว่ามันมืดมานานเท่าไรมันสว่างแล้วก็แล้วกันนี่มันมีตั้งหลายตอนที่ฟังไปแม้กระทั่งที่คุณลุงพูดเองนี่ มันก็มีหลายคำที่มันมาสัมผัสในใจพอสัมผัสก็ได้เรื่องเลยได้เรื่องทันทีถูกแล้วปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่เราเข้าใจนี่แหละค่อยๆไปนะคุณหมอตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราปรารถนาคือความเข้าใจความเข้าใจนี้สามารถฆ่ากิเลสได้แต่สมาธิก็เป็นเพียงความสงบ เือให้เราสามารถจับกิเลสไปเชื่อทีละตัวทีละตัวได้อย่างสบายเหมือนน้ําในหนองถ้าเราสามารถวิตน้ําในหนองออกไปได้การที่เราจะจับปลาก็ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆในการที่จะตักน้ําออกไปให้หมดการตักน้ําออกไปก็เปรียบกับการทําสมาธิเพื่อเอาความคิดออกไปเอาออกไปให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อความคิดหรือความฟุ้งซ่านเหล่านั้นออกไปเราก็สามารถเห็นตัวจิตซึ่งเปรียบเสมือนกับปลาเห็นมันได้ชัดเมื่อเห็นชัดเราก็เอาตรงนั้นมาพิจารณาว่าจริงๆแล้วมันมีเราเป็นเจ้าของหรือไม่อันนี้ก็เป็นการพูดเพื่อให้เห็นขั้นตอนในการที่เราจะต้องเดินต่อไปถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้น แต่เมื่อคุณหมอปฏิบัติไปจนไปเข้าถึงตรงนั้นนี่คุณหมอก็จะจาคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเอาไว้ได้อย่างถูกต้องคุณหมอก็พยายามทำอย่างนี้ต่อไปซึ่งไม่ต้องนับการเวลาละมันจะมากมันจะน้อยแค่ไหนทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยบุญกุศลมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงที่เราเข้าใจนี่แหละ เข้าใจครั้งหนึ่งมันตัดพบตัดชาติไปไม่มีประมาณเลยคุณหมอเพราะฉะนั้นความเข้าใจทำในแต่ละครั้งนับเป็นบุญอันมหาศาลไม่มีบุญอันไหนที่จะใหญ่ยิ่งเท่านี้อีกแล้วอย่างเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลฟังเทศพระพุทธเจ้าไม่กี่คำก็หลุดเข้าถึงมรรคนิพพานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการยืนยันว่า การฟังธรรมนี้มีประโยชน์ที่สุดเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินจากครูบาอาจารย์แล้วนี่เราไม่มีโอกาสที่จะฟื้นฟูจิตใจได้เลยนะยกจิตใจเราให้ข้ามสมมติไปมันแสนยากที่สุดทำอย่างไรเราถึงจะข้ามแดนทั้งสามนี้ไปได้ก็มีสวรรค์มนุษย์นรกก็ ข, ข้ามด้วยความเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้ามาเผยแร่นี้ นับว่าเราก็มีบุญมีวาสนากันพอสมควรมาได้พบพระพุทธศาสนาได้มาพบครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถแนะนำให้เราเข้าใจตรงนี้ได้นับเป็นบุญกุศลมหาศาลก็นี่แหละคุณหมอปฏิบัติมาก็ถูกต้องพยายามต่อไปเดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นที่ใจคุณหมอเองว่าอะไรมันเป็นอะไรโดยที่เราไม่ต้องถามใครเลย ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วไม่ถามใครว่าผมอิ่มหรือยังนี่ไม่ถามเด็ดขาดเลยนะเหมือนมรรคผลนิพพานพอเข้าถึงปุ๊บไม่ถามไม่สงสัยไม่มีอะไรที่จะเครือบแคลงจิตเลยว่าเอ็นนี่ผมถึงนิพพานไหมนี่คือจริงๆแล้วมันไม่มีผมนะถึงจิตก็คือถึงถ้าเผื่อไม่มีเรา ที่มันไม่ถึงก็เพราะว่ามันมีเราเป็นเจ้าของจิตเป็นเจ้าของนิพพานอยู่พอไม่มีเรามันก็ไม่อยากนิพพานอีกนั่นแหละไม่อยากไม่เป็นไม่ไปอะไรทั้งนั้นอยู่กับที่แค่รู้เฉยๆท่านถึงบอกว่านิพพานนี้ไม่ศูนย์ไม่ใช่นิพพานศูนย์ แล้วท่านก็ไม่ได้สอนต่อไปอีกนะว่าข้างหน้านั้นมันเป็นอะไรเพราะว่ามันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านบอกว่ามันสุขที่สุดนะไม่มีสุขใดในสมมุตินี้จะเป็นสุขเท่าพระนิพพานได้ท่านว่ามาอย่างนั้นนักปฏิบัติสามารถเห็นได้รู้ได้ณนะปัจจุบันนี้ก็คือรู้ที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีรูป ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่ใจมันรับแล้วว่าเวทนานั้นไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เราเห็นเท่านั้นมันไม่มีเจ้าของไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคกับอะไรไม่มีอะไรเป็นศัตรูกับอะไร ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือกองสังขารทั้งหลายไม่เป็นอุปสรรคต่อกันไม่เป็นศัตรูต่อกันต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างเป็นต่างอันต่างไปตามธรรมชาติเหมือนไฟกับน้ำอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหาอะไรอยู่อย่างนี้มานานแล้วดาวกับเดือนอยู่ด้วยกันมานานแล้วไม่มีปัญหาทะานลอบ่แว้งกันเลยเพราะอะไร ก็เพราะว่าดวงเดือนนั้นไม่มีเราเป็นเจ้าของดวงดาวนั้นไม่มีเราเป็นเจ้าของก็อยู่ด้วยกันอย่างเฉยเฉยสายลมแสงแดดก็อยู่ร่วมกันไม่มีอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลอยู่ด้วยกันตั้งสี่ห้าองค์ไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันเลยเพราะจิตท่านบริสุทธิ์ท่านมีความเข้าใจอย่างชัดเจนแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ บางครั้งท่านดูเอาท่านก็เอาทำมาดูไม่ได้เอาจิตเอาใจอะไรของท่านมาดูเลยว่ากันไปตามถูกต้องอันไหนมันผิดท่านก็สอนว่านี่มันผิดไม่ถูกก็พูดไปตามธรรมแต่บางครั้งท่านแสดงกิริยาอาการมันก็เป็นธรรมชาติตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไปมองท่านซะว่าโอ้ยท่านองค์นี้ดุ องค์นั้นว่าเอาอะไรทำนองนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติคำพูดบางครั้งสมมติว่าเราจะไล่อะไรบางอย่างถ้าพูดเพราะๆว่าไปเถอะนะสัตว์เหล่านั้นมันก็คงไม่ไปต้องใช้น้ำเสียงที่ดุซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดุเพียงแต่ว่าต้องการให้มันหนีไปเท่านั้น รูบาจารย์ก็สมมติอย่างนี้เพื่อความถูกต้องตามความเป็นจริงคุณหมอปฏิบัติได้ดีนะเท่าที่เล่ามานี่ก็ อ, อย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงนี้ว่ารู้นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรคือสมมุติว่ารู้กับเสียงนี่ถ้ามันไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องคือไม่มีตัวที่สา ม, มาคอยอยุ่แย่ รู้กับเสียงมันก็จบแค่รู้แต่ถ้าเผื่อว่ามีเราเข้าไปเสียงนั้นก็เป็นเสียงดีเสียงไม่ดีเพราะเราไปบอกว่ามันดีมันไม่ดีอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบมันมีปัญหาขึ้นมาเพราะตัวที่สามตัววุ่นตัวกิเลสนั่นเองจิตพระอรหันต์ท่านได้ยินมันก็เสียงเดียวกันหมดเสียงดา่า เสียงสรรเสริญก็เป็นเสียงเดียวกันเหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงเขาด่าก็เหมือนกันท่านฟังอย่างนี้นะท่านฟังอย่างไม่มีตัวตนสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าพูดถึงพระรหาหนี่ท่านไม่มีคําว่าต่ากว่าไม่มีคําว่าดีกว่าไม่มีคําว่าเสมอครูบาอาจารย์คือไม่ด้อยกว่าครูบาอาจารย์ ไม่เหนือกว่าครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ไปตีเสมอครูบาอาจารย์เราฟังแล้วเราก็งงนะว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรกันไม่ต่ำกว่าไม่เหนือกว่าแล้วก็ไม่ดีกว่ามันยังไงกันมันงงพอปฏิบัติเข้าจริงๆเราก็สามารถเข้าใจไปถึงว่าก็มันไม่มีตัวตนจะไปวัด ไม่มีเราเข้าไปวัดว่าเราต่ํากว่าเราเหนือกว่าเราดีกว่าทํานองนั้นเหมือนไม้สั้นกับไม้ยาวสองดุนมันไม่มีตัวไปบอกว่าไม้ตัวนี้สั้นกว่าแกสั้นกว่าฉันฉันยาวกว่าแกไม้สั้นก็คือไม้สั้นไม้ยาวก็คือไม้ยาวไม่ได้มาแข่งขันกันเลยรู้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ รู้ของท่านกับรู้ของพระอระหันต์ก็คือไม่มีเราหากเราไปบอกสั้นบอกยาวบอกดีบอกต่ำบอกสูงบอกเสมอมันก็คืออุปทานตัวนี้ละ่ะคือความจำเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นเจ้าของจิตนั้นสำคัญมากเลยถ้าเราเป็นเจ้าของจิตก็วุ่นวายไม่มีประมาณ แต่ถ้าไม่มีเราเป็นเจ้าของจิตแล้วมันแสนสบายไม่มีอะไรที่จะเบาไม่มีอะไรที่จะเป็นกลางไม่มีอะไรที่เป็นธรรมยิ่งกว่านี้อีกแล้วในความรู้สึกของนักปฏิบัติทั่วไปสรุปก็คือว่าให้เราพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นเราจริงไหม มันใช่เราจริงหรือเปล่าเมื่อเข้าใจขันห้าแล้วว่าไม่มีเรานี่มันก็เหลือกับจิตกับเราเท่านั้นแหละทีนี้มันมีสองขั้นตอนนี้เท่านั้นเมื่อมันเหลือจิตคือลากขันห้าได้แล้ววางขันห้าแต่คำว่าวางขันห้านี้ต้องเข้าใจว่าขันห้าทั้งหมดมันยังอยู่นะทั้งรูปก็ยังอยู่ ทั้งเวทนาก็ยังอยู่สัญญาก็ยังอยู่สังขารก็ยังอยู่วิญญาณก็ยังอยู่แต่ว่ามันยังอยู่นั้นนะ่ะอยู่แบบเราปล่อยวางอยู่แบบปล่อยก็คือรู้เข้าใจว่าไม่มีเราเป็นเจ้าของก็ยังคงใช้ขันห้าอยู่เพราะยังอยู่ในสมมุติยังไม่ตาย ก็ต้องใช้จนกว่าขันห้ามันจะดับไปของมันเองสรุปก็คือเมื่อหมดขันห้าไปแล้วก็เหลือจิตกับเราเราก็พยายามเอาเราออกจากจิตมีวิธีการพิจารณาหลาย ด, ด้านก็ตอนนั้นเอาไวท้ทีหลังแล้วกันเอาไว้คุยกันอีกทีหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังเยอะสอนเอาไว้เยอะค่อยทำไป ถึงตรงไหนเรารู้ของเราเองนะคุณหมอคนอื่นมารับรองเราไม่ได้หรอกก็ดีผมว่าคุณหมอปฏิบัติได้ดีเดินได้อย่างถูกต้องแล้วคือช่วงนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายคนที่สนใจผมก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจคนพวกนี้ต้องพูดแบบวิทยาศาสตร์แล้วหลายคนก็สนใจมาก ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นอานิสง์ด้วยที่ทำให้ช่วงนี้ผมภาวนาก็ก้าวหน้าดีก็ดีครับช่วยๆกันเผยแพร่พระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญของเราอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าการได้สนทนาธรรมนับว่าเป็นการฟื้นฟูจิตใจของเราไปด้วยเวลาผมไปอธิบายให้เขาฟังบางทีนะครับ อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดคือผู้พูดก็โพงขึ้นมาเราเองต่างหากกลับเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกหลายครั้งหลายหนที่ผมพูดให้คนเหล่านี้ฟังยิ่งพูดผมเองก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเรื่อยเข้าใจชัดเจนขึ้นเรื่อยแล้วก็ทำให้ผมมีแนวทางมีความคิดว่าเวลาเราจะไปพูดให้คนอื่นฟังอีกหน่อยถ้ามีโอกาสไปบรรยายให้กับคนหมู่มากนี่ เราจะพูดไปในทำนองไหนเพราะว่าจุดที่ผมเอามาเขียนเป็นหนังสือที่เคยเล่าให้คุณลุงฟังผมเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะผมคิดว่าการที่เราเขียนอย่างนี้คือเราให้พวกนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหล่หันมาสนใจแล้วเราก็เอามาสัมพันธ์กับเรื่องของจิตแล้วก็อธิบายได้คือมันต้องใช้จิตอธิบายอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดเลยคิดแต่ว่าความรู้พวกนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์พูดเท่านั้นแล้วคุณลุงลองคิดดูสิครับว่ามันยาบที่สุดจริงๆไอ้วิทยาศาสตร์นี่ก็คือจิตนั่นเองไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเวลาพูดออกมารู ป, ปรธรรมกับนามรธรรมที่เราใช้คู่กันแล้วก็เวลาผมไปอธิบายให้คนพวกนี้ฟังผมก็จี้ไปที่ตัวพวกเขาเลย ยกตัวอย่างเช่นเวลาผมจับคุณ น, นี่คุณรู้ไหมเขาก็บอกว่ารู้พอผมจับแล้วปล่อยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้คุณนึกออกไหมเขาบอกนึกออกผมถามว่าไอ้ที่นึกออกนี่มันนึกใหม่ใช่ไหมคือมันเป็นความนึกอันใหม่พลังงานอันใหม่แต่มันมีไอ้ตัวหนึ่งที่มันอยู่คงที่ก็พูดไปประมาณนี้ พอพูดกลับทำให้ผมยิ่งเข้าใจเรื่องของจิตตัวเองมากขึ้นไปอีกแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าการที่ผมไปพูดอย่างนี้แล้วประโยชน์มันเกิดขึ้นกับเขามันสะท้อนมหาตัวผมเองผมชอบคำหลวงพ่อท่านคนํานึงที่บอกว่าทานเป็นพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าคำนี้กินใจผมมากๆเลยครับคุณลุง ผมไม่เคยได้ยินใครที่พูดอย่างนี้เลยมีแต่หลวงพ่อท่านพูดว่าทานเป็นพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านทำทานมาอย่างอุกฤะิเหลือเกินท่านภาวนามาอย่างอุกฤะิเหลือเกินทุกๆเรื่องคนส่วนใหญ่มีแต่อยากเป็นแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างอยากรวยแต่ไม่ทำงาน อย่างนักการเมืองอย่างนี้พูดแล้วก็เสียจิตเสียใจตัวเองมันสกรปรกมีแต่ขึ้นไปกินขี้แต่ช่วงหลังๆหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นปีนี้อยู่อย่างสบายขึ้นที่ผ่านมาก็ลำบากเหลือเกิน